จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9ก้กรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัต ให้พระภิกษุทุกลูกที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพอถึงวันแรมหนึ่งค่เดือน8จนถึงวันแรมหนึ่งค่เดือนสบเอเป็นระยะเวลาสามเดือนด้วยกันจะต้องอยู่กับที่ไม่ให้จาริกไม่ให้เดินทางไปที่ไหนนอกจาก มีภารกิจสำคัญจำเป็นที่จะต้องไปก็ไ ป, ไ, ปได้ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์อุปชาไม่สบายอาพาธใบดูลารักษาท่านก็ได้ถ้ากุติวิหารสาราชำรุดต้องทำการซ่อมแซ ก็ไปหาวัสดุมาซ่อมแซมได้ถ้าญาติโยมธรทมบุญจะนิมนต์ไปในงานบุญก็ไปได้หรือถ้ามีเพื่อนสหรัฐ ม, มิกเพื่อนพระภิกษุเกิดความกะสัญอยากจะลาศิกขาถ้าไปปรอบไปพูดไปคุยให้ท่านเปลี่ยนใจได้ก็อนุญาตให้ไปได้ แต่ไปไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนจะต้องกลับมาอยู่ที่เดิมทั้งนี้เพราะว่ามีเหตุการที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับช า, าชาวนาชาวไร่เมื่อก่อนที่จะมีการอยู่จำพรรษาพระภิกษุนี้ท่านสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ตลอดทั้งปี ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อจำกัดแต่พอมาเข้าถึงฤดูฝนเป็นช่วงที่ชาวนาชาวไร่ทำการเพาะปลูกพืชต่างๆทีนี้เวล า, าพระท่านไปไหนมาไหนท่านก็จะเดินไปแล้วท่านก็จะเดินรัดทุ่งนากันไปถ้าอยู่ในช่วงที่เป็นฤดูฝนชาวนาชาวไร่ กำลังพ่อปลูกพืชต่างๆเวลาเดินลัดทุ่งลัดนาก็จะไปเหยียบพืชที่เขาเพิ่งปลูกใหม่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาชาวบ้านชาวนาชาวไร่จึงได้มากลาบทูลให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนก็พระพุทธเจ้าทรงทราบก็เลยทรงบัญญัติ พ่อห้ามไม่ให้พระภิกษุเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงระยะ3เดือนของฤดูฝนเริ่มต้นตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8คือวันนี้ไปจนถึงวันแรมหนึ่งคำเดือน11พระภิกษุก็จะอยู่กับที่อยู่จำพรรษา นี่คือความเป็นมาของเรื่องของการจำพรรษาและก็มีธรรมเนียมที่เกี่ยวกับพรรษาเช่นการถวายเทียนการถวายผ้าอาบน้ำฝน<ม>การถวายเทียนเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าต้องอาศายัยต้องอาศัยแสงเทียนตอนกลางคืนญ<ม>าติโยมก็เลย ไหว้เทียนกันเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาจะมีพระภิกษุบวชกันมากจะต้องศึกษาเริ่มเรียนไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างในยามค่าคืนก็เลยมีการถวายเทียนพรรษากันแต่สมัยนี้เราเปลี่ยนจากการใช้เทียนมาใช้ไฟฟ้าใช้หลอดไฟ ทายาดโยงจะเปลี่ยนจากการถวายเทียนมาถวายหลอดไฟถวายค่าไฟก็เหมือนกับการได้ถวายเทียนเช่นเดียวกันเพราะสมัยนี้เทียนก็ไม่ได้มีความจำเป็นเพราะแสงไฟแสงสว่างของไฟฟ้านี่สว่างกว่าและสะดวกสบายกว่าและปลอดภัยกว่าเพราะแสงเทียน เป็นไฟถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ดังนั้นในสมัยนี้จึงมีการนิยมถวายหลอดไฟหรือถวายค่าไฟให้กับวัดซึ่งก็เป็นเหมือนกับการถวายเทียนพรรษา อ, อีกอย่างหนึ่งที่ญาติโยมจะถวายกันก็คือผ้าอ่างน้ำฝน อาบน้าฝนนี้ก็เป็นผ้าที่พระใช้อาบน้ำเวลาฝนตกนะสมัยก่อนนีท่านไม่มีห้องน้ำห้องท่าเวลาฝนตกท่านก็อาบโดยถ้าไม่มีน้ำฝนไม่มีผ้าอาบ น, น้ำฝนท่านก็เปล่อยกายอาบ ก, กันมีเรื่องนิทานอยู่เรื่องหนึ่งคือนางวิสาขานี้เป็นอุบาสิกา ที่เป็นพระ อ, อริยสงฆ์มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากวันหนึ่งเธออยากจะถวายน้ำปานะให้กับพระภิกษุที่อยู่จำพรรษากับพระพุทธเจ้าเธอก็เลยส่งคนใช้ไปที่วัดเพื่อที่จะไปดูว่า <c oughs> มีพระอยู่กี่รูปจะได้นำเอาน้ำปานะมาถวายได้ครบ ระหว่างทางไปฝนตกหนักพอไปถึงวัดก็มีพระออกมาอาบน้ำฝนแต่ท่านไม่มีผ้าอาบน้ำฝนท่านก็เลยเปลือยกายอาบน้ำกันคนใช้เห็นเข้าก็ตกใจรีบวิ่งกลับไปที่บ้านไปรายงานให้นางวิสาขาทราบนางวิสาขา ว, ว่าเป็นยังไงมีผ้ากี่รูป แต่ตอบว่าพระหายไปหมดเลยมีแต่พวกชีเปลยมาอยู่แทนสมัยก่อนมันมีพวกนักบวชที่เขาไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นพวกชีเปลยแกก็เลยคิดว่าเป็นพวกนักบวชชุดที่ชีเปลยไม่ได้เป็นพระภิกษุก็เลยบอกนางวิสาขาไปแต่นางวิสาขาเธอฉลาดเธอเข้าใจเธอรู้ว่าอะไร เป็นอะไรก็เลยพอมีโอกาสได้ไปกราบเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ขอกราบทูลอนุญาตขอถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุเวลาที่ฝนตกแล้วต้องการจะอาบน้ำฝนจะได้มีผ้าอาบน้ำฝนว้ยใช้กันนี่คือที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน สมัยนี้ก็ยังมีการถวายผ้าน้ำฝนกันอยู่แต่เป็นผ้าแบบขนาดนิดเดียวถ้าเอามาใส่ก็คงใส่ไม่ได้ผ้าที่เขาห่อมากับพุ่มสีเหลืองนี่ยจะมีผ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาลดขนาดลงเพื่อให้มันเหมาะกับราคาเหมาะกับการค้าขายผ้าก็เลยกลายเป็นเหมือนผ้าผ้าเช็ดตัว เวลาจะมาห่มอาบน้ำฝนก็หมไม่ได้แต่ก็ไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะตามวัดก็มีห้องน้ำพระก็จะอาบน้ำกันในห้องน้ำแต่ธรรมเนียมของการถวายผ้าน้ำฝนก็ยังมีทากันอยู่ก็เลยอธิบายให้ญาติโยมได้ทราบไว้ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร สมัยนี้ผ้าอาบน้ำฝนนี่ถ้ากลางออกมานี่เป็นผืนนิดเดียวจะมานุ่งอ า, อาบไม่ได้<อ>แต่ก็ไม่ไม่ได้มีความเสียหายตรงไหนเพราะสมัยนี้มีห้องน้ำกันมีน้ำประปาก็เลยอาบน้ำในห้องน้ำอาบน้ำประปากันก<อ><อ>เพื่อญาติโยมจะได้สงสัยเพราะเห็นว่าสมัยนี้เรามีไฟไฟ้ากันแล้ว ทำไมยังต้องถวายเทียพนพรรษาสมัยนี้เรามีห้องน้ำแล้วทำไมยังต้องถวายผ้าอาบน้ำฝนอันนี้มันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาในอดีต ท, ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนใช้ผ้าอาบน้าฝนกันแต่โลกก็ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลามีการพัฒนาการต่างๆมีความเจริญ ทางวัตถุกันก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผ้าน้ำฝนหรือใช้เทียนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่จําพรรษาอีกธรรมเนียมหนึ่งที่ชาวพุทธเราจะมีปฏิบัติกันในช่วงเข้าพรรษาก็คือ จะมีการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องเห็นว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ควรที่จะมาทำบุญมาละบาปกันบางท่านก็อธิษฐานไม่ดื่มสุราตลอดตลอดระยะเวลาสามเดือนบางท่านไม่เคยใส่บาตรเป็นประจำก็อธิษฐาน ขอใส่บาตรทุกวันบางท่านไม่เคยรักษาศีลห้าก็จะมาอธิษฐานอธิษฐานรักษาศีลห้ากันนี่คือธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาบางท่านก็อธิษฐานบวชเป็นพระตลอดระยะเวลาสามเดือนบางท่านก็บวชชีบางท่านก็บวชบบวเป็นอุบาส สุขอุบาศีกาถือศีลแปดพาะมีความศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่เป็นคำสอนอันประเสิดที่ถ้าผู้ใดสามารถยึดนำมามาปฏิบัติได้จะได้รับประโยชน์สุขแต่อย่างเดียวจะได้ลดหรือละลดหรือกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายนะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏมาเป็นผู้นําทางให้แก่พวกเราถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่ที่มีแต่ความสุข ได้ไปสู่ที่ไม่มีความทุกข์ได้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะต้องมีพระพุทธศาสนาคือมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนหรือมีพระอริยสงสากมาสอนมาบอกทางให้แก่พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราก็จะไม่รู้ว่า วิธีที่จะพาให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะไปทำหาความสุขตามที่เราเคอยหากันก็คือการไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้มาก็มีความสุข แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร<ม>เป็นสิ่งชั่วคราวพอเวลามันจากเราไปความสุขนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาเราได้ราบเราก็ดีใจเวลาสูญเสียราบเราก็เศรา้าโศกเสียใจเวลาเราได้ยศก็ดีใจเวลาเราเสียยศเราก็จะเสียใจแต่มันเป็นสิ่งที่เราไป สั่งหรือห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันมาก็ไม่ได้ถ้ามันไม่มาห้ามไม่ให้มันไปก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่าการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นการหาความทุกข์ เป็นหาการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพวกเรานี้ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างโชคโชนวแล้วแต่พวกเราจำไม่ได้เราไม่รู้กันเราคิดว่าชาตินี้เป็นชาติเดียวของพวกเราเพราะเราไปมองตัวเราว่าเป็นร่างกายเราไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงคือใจ ที่ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็เลยคิดว่าเวลาร่างกายตายไปเราก็ตายไปด้วยดังนั้นเราก็เลยไม่เห็นความสําคัญของการทําบุญของการละ บ, บาปของการปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพราะการ ปฏิบัติทั้งสามข้อนี้จะมีผลต่อจิตใจของพวกเราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเราทำบุญจิตใจของเราจะไปสวรรค์กันหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเราทำบาจิตใจของเราจะไปอบายกันไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปนรกกัน ถ้าเราปฏิบัติ ร, รมกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไปพระนิพพานกันเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่และจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสง์ ที่จะสอนให้พวกเราทำบุญละาบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภกลีดหลงกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ชาวพุทธเราเลยยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางของการปฏิบัติบางคนก็อธิษฐานว่าจะ ละบาปทั้งห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่ดื่มสุรายาเมาบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอทำบุญในรูปแบบต่างๆทำบุญใส่บาตรทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควายนี่เป็นการทำบุญวิธีการต่างๆที่จะทำให้จิตใจมีความสุขและจะไปสวรรค์หลังจากที่ตายไปแล้วบางท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ตั้งจิตอธิษฐาน บวชกันหรือปฏิบัติธรรมกันถ้าไม่ได้บวชก็ปฏิบัติที่บ้านหรือมาอยู่ที่วัดบางท่านก็ถือศีลแปดถ้าบวชก็ถือศีลสออีอันนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญา ศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชศีล8ดขึ้นไปถึงศีล227รสมาธิก็ต้องจิตต้องสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามยปาัญญาถึงจะสามารถที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้า มีความตั้งใจจะปฏิบัติและมีความตั้งใจที่จะศึกษารายละเอียดต่างๆของศีลก็ดีของสมาธิก็ดีของปัญญาก็ดีผู้ปฏิบัติก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาคือมรรคผลนิพพานที่มีอยู่สี่ขั้นด <kan> ้วยกันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละขั้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพอระอรหันต์ถ้าได้ถึงขั้นของพอระอรหันต์แล้วก็จะได้พระนิพพานได้อยู่ที่พระนิพพานถ้าเปรียบถามว่าพระนิพพานคืออะไรก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุด สวรรค์ที่ไม่มีความเสือ่อมสวรรค์ที่ไม่มีความทุกข์สวรรค์ชั้นอื่นๆนี่ยังมีความเสือ่อมยังมีความทุกข์อยู่แต่ถ้าได้ไปถึงสวรรค์ชั้นพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจิบตายอีกต่อไปนี่คือธรรมเนียมการปฏิบัติของชาวพุทธเราในช่วงระยะสามเดือนที่เข้าพรรษานี้ อยากจะขอชวนเชิญให้ญาติโยมได้พิจารณาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลือกนําเอาคําสอนข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับผลอันดีอันเลิศที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้สัมผัสกับผลแล้ว จะทำให้เราเกิดมีฉันทะวิริยะมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งญาติโยมก็อาจจะได้บวชเหมือนพวกพระภิกษุทั้งหลายได้บรรลุเหมือนกับพระภิกษุทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการเริ่มต้นในช่วงเข้ากรศลานี้ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทา ปฏิบัติทำข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นการทำบุญอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นการละบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกะจะเป็นการปฏิบัติทมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้ทำกันแล้วรับรองได้ว่าจะต้องเห็นผลแล้วเมื่อเห็นผลก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็จะได้รับผลมากขึ้น คือความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆภพชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆและจะหมดไปในที่สุดได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของวันเข้าพรรษานี้ให้ท่านทั้งหลายได้นาเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ไปพิจารณาและไปปฏิบัติ